กายหายไขย้ใจหายป่วยหมดเรื่องทุกข์ด้วยประยุกตธรรมะมารักษาน้อมกายใจให้เป็นสุขทุกเวลาขอเพื่อนยามาร่วมกันสรรสร้างใจวีวัตตะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับท่านสังกีรัตนกท่านสวัสดีครับที่คีนีน่คุณหมอกําลังทาหนังสืออยู่เล่มนึงไม่ใช่เหรอคะเห็นเอาตัวเชิดแบบแอบมาให้ดูอยู่แล้วเนื้อหาสาระที่คุณหมอนําเสนอในเอกสารชุดที่ว่านี้เนี่ยคุณหมอนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนของเราได้รับประโยชน์่้างจริงๆก็เป็นเรื่องของการภาษาปัจจุบันในทางการแพทย์หรือว่าการดูแล หรือว่าการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามักใช้คําว่าองค์รวมองค์รวมก่ะพี่นะการแพทย์องรวมสุขภาพองค์รวมสุขภาพแบบองค์รวมการแพทย์องค์รวมแล้วเขารวมองค์กันยังไงคะเขาจะรวมกันยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าเราก็รวมแบบของเราเนี่ยก็คือในลักษณะที่มันเป็นความรู้สึกของเราเองว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่า ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือ ว, ว่ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งค่ะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจดูแลมันเรียกว่าในทุกๆขณะของการดําเนินชีวิตแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การระหว่างเรื่องของกายกับใจเรื่องของความคิดเรื่องของการกระทําทั้งคําพูดหรือว่าทางกายเนียเรื่องการลองเนี้ฮะที่มันมีส่วนสัมพันธ์ส่งผลเกี่ยวเนื่องกันไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ได้หมายความว่าถึงว่ากินอาหารเท่านั้นเรื่องอาหารกินอาหารเท่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะมีสุขภาพดีหรือว่าออกกําลังกายอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะดีพักผ่อนนอนหลับอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะดีอะไรสนองนี้แต่ว่ามันเป็นไปในแต่ละขณะที่มันส่งผลสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเหมือนลูกโซ่ที่เกี่ยวมันเป็นตกาเป็นปลาะไปอย่างนั้นนะครับที่นะค่ะเท่าที่อ่านดูในเอกสารเนี่ยคุณหมอจะพูดถึงเรื่องของกายเรื่องของจิต เรื่องของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะครับว่ามีผลต่อสุขภาพของเราซึ่งเราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยครับค่ะแราแต่และอย่างนี่จริงๆแล้วมันมีอิทธิพลที่ส่งผลเรียกว่าหลายแง่หลายมุมโดยสาระสำคัญที่พยายามจะเน้นย้ำก็คือว่าเราจะดาเนินชีวิตยังไงผมจะเน้นคำว่าเป็นนะกินให้เป็นอยู่ให้เป็น ไม่ใช่กินได้อยู่ได้นะฮะเหมือนกับเราที่เราขับรถเนี่ยนะขับได้ก็ขับเป็นนบางทีมันไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะใช่ไหค่ะเวลาเราทานอาหารก็เหมือนกันเด็กปวดสามขวดเพื่อหนึ่งขวดสองขวดสามขวดเนี่ยเขาก็ทานอาหารได้นะแต่เขาจะทานเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีสติปัญญามา่า น, <อ>านเป็นนี่มันต้องมีวิธีคิดใช่ไหมคะครับค่ะ้ะะเรื่องของการกินอยู่ให้เป็นเนี่ยเป็นเรื่องของการ กินอยู่ให้เป็นในลักษณะที่เรียกว่าต้องมีสติปัญญาประกอบแล้วก็จะได้ประโยชน์สูงสุดแัด้วตรงจุดนี้เนี่ยก็เลยลองเรียบเรียงดูนะครับว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวจากพี่ได้ยินได้ฟังมาจากที่ลงมือปฏิบัติดูแล้วเนี่ยเราควรจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยก็เลยลองนำ ม, มาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความอันนั้นแหละครับคุณหมอลองอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่า อย่างไรถึงจะเรียกว่ากินเป็นอยู่เป็นนะคะเพราะว่ามันเข้าใจยากเหมือนกันนะคะทุก <c oughs> คนก็ต่างคิดว่าอุ้ยกินไม่เป็นแล้วจะอยู่มาได้ไงจนถึงวันนี้อยู่ไม่เป็นแล้วจะอยู่มาได้ยังไงค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าอเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราก็เอาอย่างแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะกินอย่างที่เราอยากจะกินกิน <c oughs> ตามอยากกินตามอยากค่ะกินแบบตามมีตามได้ค่ะกินแบบพอเท่าที่มีสติปัญญาพอที่จะเลือกได้ นะกินให้มันอิ่มหรือว่าคนที่พอมอีความรู้ขึ้นมาหน่อยอก็ต้องรู้จักเลือกใช่ไหมรู้จักเลือกว่าอาหารอย่างนั้นเนี่ยมันมีพิษมีภัยหรืออาหารอย่างนั้นเนี่ยมันมีคุณมีโทษยังไงอันนี้ก็เรียกว่ามีความรู้ขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าคนที่มีความรู้ที่มากขึ้นโดยที่เขามีความรู้ในแง่ของจิตใจเนี่ยเขาก็จะมีการกินให้เป็นมากขึ้น คือกินยังไงที่จะทำให้กิเลสของเราเนี่ยไม่เฟื่องฟูกินยังไงที่จะทำให้กิเลสของเราเนี่ยมันไม่เจริญนะกินยังไงให้กุศลธรรมมันเจริญในลักษณะนี้กินยังไงทำให้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวกินยังไงที่จะทำให้ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองเนี่ยจำนองนี้ครับนี่ว่ากินให้เป็นนี่การกินให้เป็นเนี่ยมันก็มีหลายอย่าง อันเบื้องต้นเลยคือว่าเราต้องเข้าใจคําว่าผมจะเน้นไปว่าเราต้องเข้าใจพื้นฐานของคําว่าอาหารนะฮะพื้นฐานก็คือว่าอาหารที่แท้จริงเนี่ยเขาบอกว่าอาหารที่แท้จริงเนี่ยก็คือยาเขาเรียกว่ามันเหมือนยาบํารุงหรือว่ายารักษาโรคไงครับทีจสี่นะค่ะมันเป็นสิ่งที่เรานําเข้าปากไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินไม่เป็นเนี่ย จากยาบำรุงหรือว่ายารักษาโรคเนี่ยมันจะกลายเป็นยาก็เรียกยาบำเรอออคือมันเป็นส่วนเกินไปแล้ว <Okay. S 1> หรือว่าถ้าเรากินมันมากๆหรือว่าสิ่งที่นำเข้าไปเนี่ยมันเกินคุณค่าของความเป็นอาหารไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นยาพิษคืออาหารส่วนเกินหรือว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นภาราให้กับร่างกายของเราแล้วก็ทําให้เกิดโรคภัยเบียดเบียนเกิดขึ้นเผยพร ะ, ระยะ ตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปเนี่ยนะพี่เียนะออกผลเลยนะคะฮามันจะส่งผลซึ่งจริงๆแล้วคือว่ามันเป็นเรื่องของการสะสมมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เติบโตมาเรื่อยๆส่งผลมาเรื่อยๆอย่างเช่นโรคเสื่อมต่างๆโรคเบาหวานความดันเลยสูงไขมันในเลือดสูงใช่ไหรวมทั้งอ้วนน้นําหนักเกินอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งนํามาซึ่งโรคไขข้อเสื่อมทุกๆชนิดเนี่ยนะครับ รวมทั้งโรคเมลาเองด้วยซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นผลประการสั่งสมของเรื่องของการกินเนี่ยเป็นหลักรวมทั้งพฤติกรรมทางด้านอื่นๆโดยเฉพาะพฤติกรรมทางด้านจิตใจคือการสะสมความเครียดไว้คเร ค, ครียดเรื้อรังนะฮะในลักษณะนี้ฮะก็จะอธิบายในรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนของการทําความเข้าใจหรือว่าในแง่ของการปฏิบัติตัวหรือว่าจะเสริม เทคนิคของผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักส่วนเกินหรัว่วสลายพลังงานส่วนเกินอะไรอย่างเนี้ครับพยายามรวบรวมความรู้ที่เรียกว่าพอจะรู้จากการอ่านจากการได้ยินจากการฟังมาเกิดข้งที่ได้ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยเราใส่ไว้นะครับค่ะทีนี้อยากจะถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วเรื่องของการกินอยู่ให้เป็นเนี่ย เชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรแต่มันเป็นการยากมากเลยนะคะที่จะเอาชนะใจของเรานำสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวของเราเองนะคะค่ะตัวนั้นเลยค่ะเป็นตัวสำคัญใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในแง่ของการสุขจิตนะะค่ะการกินอยู่ให้เป็นนี่แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเพราะว่า การเป็นการอยู่หรือว่าการเคลื่นการอยู่หรือว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะสื่อให้กับผู้อ่านได้ทราบก็คือว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยไม่ว่ premier, าจะเป็นเรื่องการเลือกอาหารการกินเรื่องการดําเนินชีวิตเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะที่ดําเนินไปเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกจิตฝึกใจของเรานะเป็นการอบรมขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยให้มีความอดทนอดกลัน้นอย่างเช่นว่าเราอยากจะกินอาหาร อะไรกอย่างหนึ่งที่มันอร่อยนะถูกปาก เ, เราเราเคยเคยกินแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่เกิดโรคอะไรหรอกอันที่หนึ่งคือเรารู้ว่าถ้าเรากินอาหารอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนอย่างทุเรียนอย่างเนี้นะคเรากินบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไขมันมาโรคเบาหวานมาแน่ๆคนะอันนี้เป็นเรื่องของทางกายที่เราห้ามใจด้วยเองไว้เพื่อที่เกรงว่ามันจะเป็นโรคทางกายตามมาก็เลยอดทนนะ แต่จริงๆแล้วนัยยะโดยแฝงของการที่เราฝึกความอดทนอดกลั้นเนี่ยในความหมายที่เราควรจะรับทราบจริงๆก็คือว่าเราฝึกความอดทนอดกลั้นเนี่ยเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งขึ้นฝึกจิตของเราให้มัมีความเข้มแข็งขึ้นก็คือเรียกว่าฝึกขันติธรรมก็ได้ครับพี่กินีน่าฝึกความอดทนอดกลั้นซึ่งเราฝึกความอดทนอดกลั้นไปเพื่ออะไรจริงๆก็คือว่าเอาไว้ต่อต้านกิเลสของตัวเราเองนั่นแหละ เอาไว้ฝึกเอาไว้ต่อต้านอารมณ์ชั่วที่มันจะวูบเข้ามาในใจของเราเนี่ยได้นี่ถ้าเราไม่เคยฝึกความอดทนอดกลั้นรู้จักยับยัง้งชั่งใจตัวเองไว้เรามีเงินใช่ไหมเราอยากจะกินอะไรเนระาก็แวบนะมีของอยู่ใกล้มเลยเราก็แวบไอ้ตรงแวบแวบวบเนี่ยลักษณะของแวบแวบเนี่ ย, ยมันเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดจากความเคยชินของเราที่เราทําซ้ําๆใช่ไหมคะเราอยากกินอะไรแล้วมีของอยู่ในบ้านเราก็แวบมา เราเดินไปตลาดเราเห็นเดียวของเราอยากได้แล้วก็แวบมาอาการที่มีอารมณ์ความอยากเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วเราก็ทําตามมันอยู่บ่อยๆซ้ําๆสร้างๆเนี่ยฮะก็เรียกเป็นอุปนิสัยหรือว่าเป็นนิสัยมันเวลาอารมณ์ร้ายๆมาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแวบเราเอาไปกินด้วยนะฮะก็<ต>อย่างที่เราเคยได้ยินกล่าวแล้ว ว, ว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่มันพัดเข้ามาแล้วก็พัดชีวิตส่วนที่เราอุตส่าห์สร้างมาเนี่ย ก็เจอกร ะ, กกระจงไปอย่างนั้นนะครับคุณหมอกําลังบอกเหมือนกับว่าการฝึกอุปนิสัยในการกินเนี่ยอืเป็นเหมือนคันลองของการฝึกจิตไปในตัวเลยนะคะจริงๆแล้วมันสมควรจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในลักษณะของการปฏิบัติธรรมจริงๆในความเข้าใจของผมโดยเฉพาะเรื่องของมัสมีองแปดเนี 8, ่ยมัคคปฏิปทาหรือว่าวิธีการปฏิบัติธรรมมันเป็นทั้งหมดของชีวิตของเราค่ะ มันไม่ใช่เรื่องของการที่เราต้องแยกส่วนของธรรมะออกไปจากชีวิตทุกขณะ ท, ที่เราดําเนินไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมทั้งสิ้นแล้ก็คือเรื่องของการสุกจิตฝึกใจของเราเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาเฝ้ารู้เฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละครับพี่จีนีนะาครับมันเป็นเรื่องเดียวกันผลประโยชน์สูงสุดก็คือเรื่องของการฝุกจิตสุกใจของเราเนี่ยให้มีคุณธรรม ในเชิงบวกหรือว่ามีธรรมะในเชิงบวกเนี่ยมากขึ้นตัวธรรมะในเชิงลบหรือว่าอาธรรมเนี่ยหรือว่าอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องน้อยลงไปอันนี้คือเป้าหมายในการกินให้เป็นอยู่ให้เป็นนี่แหละครับงั้นถ้าเรามีเป้าหมายเพื่อแค่ว่าทําให้ร่างกายมันแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกคานอาหารเรื่อ ง, องของการพักผ่อนนอนหลับเรื่องของการออกกําลังกายต่างๆเนี่ยถ้าเรามุ่งหวังแค่ว่าให้ร่างกายเราแข็งแรง แล้วเราก็ประสบความสำเร็จกับสินเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันจิตใจของเราก็อ่อนแอผมว่ามันขาดทุนนะครับจริงนะมันไม่คุ้มก็เป็นเรื่องที่เราต้องเลือกแล้วก็ต้องเดินด้วยตัวของเราเองนะคะคนำพาชีวิตร่างกายของเราไปสู่เส้นทางอันเหมาะวร น, นะคะคมีกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงนะคะ ในการที่จะสุดตรงนี้เนี่ยใครก็ทําให้เราไม่ได้นะคะครับต้องทําเองค่ะครับในต้นของการบทบทความอันนี้เนี่ยผมก็จะเขียนในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนว่ า, าต้องทําความเข้าใจกันไว้ก่อนว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลค่ะนะครับนะมันทําแทนกันไม่ได้พ่อแม่ทําแทนลูกก็ไม่ได้ลูกทําแทนพ่อแม่ก็ไม่ได้สามีภรรยาทําแทน ก, นกันก็ไม่ได้ นะคือเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจริงๆนะฮะรันถัดไปก็คือว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ค่ะสุขภาพในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะครับท่าน่นะี่ะครนะับมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้อปัจจุบันนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วจะปล่อยไปตามยถากรรมอยู่ไปวันๆนี่ไม่ได้แล้วะเพราะว่ามลพิษมันมีอยู่รอบตัวเราใช่ไหะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยต้องลงมือทํา รู้แล้วไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์เลยงลงมือทำแล้วไม่ใช่ลงมือทำแบบฉาบฉ่วยผิวเผยหรืไว่ามันใสไ่ะต้องลงมือทำแบบจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องเมื่อเราลงมือทำจริงจังเราต่อเนื่องจนเป็นเรียกว่าเป็นสุขอนิสัยแล้วเนี่ยผลที่เกิดจะขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับนะฮะมาถึงจุดที่เราต้องยอมรับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราต้องยอมรับเพราะว่า สิ่งเหลนี้เนี่ยเราไปคาดหวังผลเอาไม่ได้จะบังคับให้มันเกิดว่าเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เหตุปัจจัยที่มันมีการส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราเนี่ยมันมีเยอะแยะนะมันมีความหลากหลายมากด้านสุดท้ายคือว่าอย่าได้นําผลที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมเราควบคุมอาหารเท่านั้นเท่านี้คนนั้นไม่เห็นควบคุมเลย เขาไม่เห็นเป็นไรอะไรทำนองนี้บางคนบวยวายนะฮะบางคนตีโปรตีพายว่าเราเนี่ยอดแทบตายนะไขมันขึ้นเอาขึ้นเอาอะไรทำนองนี้ยแต่คนนั้นก็กินอยู่สบายทําไมเขาไม่เป็นไรนั้นเรื่องของวิถีของสุขภาพเนี่ยจึงเป็นเหมือนเรื่องของกรรมก็คือเรื่องของการกระทําซึ่งต้องกระทําหรือว่าดำเนินไปเนี่ยด้วยความมีสติปัญญานะเกี่ยวข้องอย่างเป็นผู้มีสติปัญญาเนี่ยฮะจึงจะเรียกว่า ไปรอด ค, ครับก็บทความนี้เราตั้งชื่อไว้ว่ากระไรคะคุณหมอก็ตั้งซื่อๆนี่นะครับวิถีทางสุขภาพแบบ อ, องค์รวมแล้วคะหรือว่าวิธีสุขภาพในแนวคิดของคุณหมอกำพลก็คงได้มั้งคะ